เอาส่งกันบ้านสามมรรการค่ะเอ่อต้องกาบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างมากเลยค่ะคือว่าเวลานี้มันผ่านมาหกปีแล้วค่ะที่ได้ศึกษาธรรมะแล้วก็มันรู้สึกว่าพัฒนาเป็นลำดับไปแล้วก็มาที่ว่าเวลามาพบหลวงพ่อแล้วว่าหลวงพ่อได้ตักเตือนเนี่ยก็จะได้ทราบรู้รู้ตัวดียิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วยิ่งมางวดนี้นะคะก็ ร, รู้สึกว่า เป็นบุญของตัวเองค่ะที่ได้ได้มามีโอกาสได้เห็นได้ได้ได้ดูดูเห็นความละเอียดของจิตนะคะได้เห็นว่ามันมีความมีกิเลสมีอะไรมากมายเลยค่ะได้ตามรู้ได้เท่าทันค่ะที่แรกจิตมันปรุงกิเลสขึ้นมาพอจิตมันปรุงกิเลสขึ้นมาแล้วเรารู้ไม่ทันนะกิเลสก็กลับมาปรุงแต่งจิตมาครอบงาจิตนะมันวนเวียนอยู่อย่างนี้เ พอกิเลสครอบงำจิตได้จิตแจ ท, ทำงานไปก็สะสมเป็นอนุใสไว้ความเคยชินฝ่ายชั่วพอกระทบอารมณ์นัความเคยชินฝ่ายชั่วปรุงเป็นกิเลสขึ้นมาอีกนะพอกิเลสก็เลยไปหลอเลี้ยงอนุใสไว้อนุสัยก็รอเลี้ยงกิเลสไว้หมุนเวียนไปเรื่อยๆนี่เรามีสติขึ้นมาไปตัดวงจรมันขาดถ้าจิตปรุงกิเลสขึ้นมาเรามีสติรู้ทันไป จิตมันปรุงมาจากอนุสัสนั่นเองนะปรุงกิเลสขึ้นมาจากอนุสัยที่สะสมไหมปรุงขึ้นมาพราะเรามีสติรู้ทันนะมันตัดวงจรจิตไม่ถูกกิเลสครอบงำก็ไม่เกิดอนุสัยใหมนะ่แต่ว่าจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าบารมีขึ้นมาแทนบารมีเป็นความเคยชินฝ่ายดีอย่างเรามีสติมากขึ้นมากขึ้นนะมีบารมีมากขึ้น ต่อไปแล้วคุณงามความดีไม่จะทำงานแทนความชั่วให้ฝึกไปอ่ะอฟุง้งน้อยลงไหมคะดีขึ้นแล้วล่ะค่ะนะแล้วก็จะขอกันบ้านหลวงพ่อไปทำมาค่ะอยู่กับปัจจุบันโดยบ่อยดูกายดูใจไปค่ะการภาวนาไม่มีอะไรมากกว่านั้นน่ะฉันมาหาบัวเคยสอนหลวงพ่อนะการปฏิบัติไม่มีอะไรมากให้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไให้รู้ ไม่ใช่ให้ไปบังคับไม่ใช่ให้เพียงนะให้รู้กายให้รู้ใจหนูยังรู้สึกว่าเวลาที่หนูคิดเนี่ยคะ่ะหนูจะถลําเข้าไปใช่มคะ่ะดีที่รู้ทันนะรู้ทันตรงที่จิตถลําเนี่ยจิตถลำเนี่ยหลวงปู่ดูลเรียกจิตส่งออกนอกถ้าเรารู้จิตที่ถลําไปจีก็ตื่นขึ้นมาอย่าดึงนะมันขึ้นมาเองห้ามดึงถ้าดึงแล้วแน่นเลยถ้าแน่นๆแล้วทําผิดละ มาสการพระอาจารย์นะผมพยายามผ่อนคลายตา ม, มที่พระอาจารย์แนะนำํำก็รู้สึกว่าผ่อนคลายจริงๆแต่ว่า ก, ก็ยังพยายามตามดูตามรู้อยู่นะฮะแต่วันนี้อยากจะเรียนคําแนะนําจากพระอาจารย์เกี่ยวเรื่องจริตของผมนะฮะทุกวันนี้ผมทําตามแนวเคลื่อนไหวแบบหลวงพ่อเทียนแต่จริตผมเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจนะฮะไม่ค่อยมั่นใจว่าผมเป็นประเภทไหนเป็นประเภทเนเนทิฏฐิจริต เป็นแบบไหนนะครับทิฏฐิจริตเป็นทิฏฐินะทิฏฐิจริตอย่างแรงด้วยแรงนะไม่ใช่อย่างธรรมดาเพราะฉะนั้นยังยังคงทําไปตามแนวหลวงพ่อเทียนได้อยู่ไหมแนวหลวงพอ่นะงพอเทียนนี่นะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกรู้อะไรรู้จิตนั่นเองครับขยับไปแล้วจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปคิดรู้ทันของคุณนะพูดตรงๆก็ยังติดสองตัว ตัวที่หนึ่งเนี่ยคุณยังใช้ความคิดความเห็นเนี่ยในการวิเคราะห์วิจัยวิจารเนี่ยเยอะเกินไปนะนี่เป็นจุดอ่อนข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองยังติดเพ่งอยู่ลองไปดูสองตัวเนี้ยสังเกตไหมเราจะคอยค้นคว้าอยู่เลยว่าทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกใจมันยังดิ้นรนค้นคว้าหาทางทำอยู่ทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกใจจะคิดอย่างนี้เรื่อยๆ ใค่คิดอย่างนี้ก็หาทางปรุงแต่งขึ้นมาแทนที่เราจะรู้ทันนะกลายเป็นเราไปปรุงแต่งเข้าเช่นเราไปปรุงแต่งการประคับประคองจิตชีดว่าถ้าประคองเอาไว้นเงี้ยประคองแต่ทําให้เบาๆแล้วจะดีตอนนี้รู้สึกไหมเราคิดว่าถ้าประคองไว้แล้วก็แต่งให้มันเบานะทําทให้มันเบาแล้วมันจะดีกลายเป็นธทำนะ<ท>ำไปดูตัวนี้นะถ้าผ่านคู่น<า>ี้ได้คุณก็ไปได้ดีหรอกขอบคุณนะพัชรฐานอะไรก็ดีอยู่อ้าต่อไปจะตรวจกันบ้านแล้วนะ ใครเห็นจิตที่ตื่นตัวบ้างจิตตื่นตัวเตรียมจะต่อสู้จะต้องแย่งล้นะถึงเวลาจะต้องช่วงชิงแล้วรู้สึกไหมนะหลายคนนะผมบอกหลวงพ่อจะเจอกันบ้านแล้วกนะ็ทำตัวแบบนักวิ่งจะเข้าเส้นสตาร์ทนะภาวนาเนี่ยอย่าติดครูบาอาจารย์มากพึ่งตัวเองให้เยอะนะครูบาอาจารย์มีอยู่องค์เดียวพวกเรามีทั้งหมื่นองนี้ สู้กันไม่ไหวอยู่แล้วช่วยตัวเองให้มากสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้เนี่ยสอนให้ในหลักทั้งนั้นเลยเพื่อเราจะช่วยตัวเองได้ไม่ได้ฝึกลูกศิษย์เอาไว้ให้เพึ่งหลวงพ่อนะไม่ได้ฝึกให้มาติดอยู่กับหลวงพ่อเพื่อว่าจะได้มานับถือเรามาประครบประงมดูแลเราไม่ต้องการอย่างนั้นหรอกสิที่หลวงพ่อทุ่มเทสอนทุกวันนี้นะสอนให้เราได้หลักของการปฏิบัติแล้วเราต้องไปสู้เอาด้วยตัวของเราเอง หลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาด้วยวิธีนี้เหมือนกันอย่างบางคนนะไปเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านประครบปรทงมโอ้โอทุกวันเลยนะหลวงพ่อไม่ต้องการเนี่ยนะเลยเวลาไปหาท่านเนี่ยจะไปเรียนหลักของการปฏิบัติแล้วเอามาทําพอได้หลักแล้วนะลาแล้วไม่อยู่นานบางทีเดินทางต้งคืนหนึ่งอีกอะอีกครึ่งค้อนวันเนี่ยพอรู้หลักแล้วไม่เอาแล้วผมจะไปแล้วกราบแล้วเสียเวลารีบไปภาวนา งั้นหลวงพ่อจะไม่ใช่คนที่ติดครูบาอจารย์นะไม่ให้ครูบาจารย์มาต้องคอยประคบประงมนะมันทาด้วยตัวเองแต่ว่าทําอย่างถูกหลักการปฏิบัติก็ได้ผลเร็วเพราะศาสนาพุทธเนี่ยาศาสนาของคนที่พึ่งตนเองไม่ใช่พึ่งผู้อื่นกระทั่งพึ่งครูบาจารย์ก็ใช้ไม่ได้นะเราพึ่งครูบาจารย์เฉพาะมาเรียนหลักของการปฏิบัติขนาดพระพุทธเจ้าเองท่านยังบอกเลยว่าท่านทําได้แค่การบอกทางให้ท่านเป็นผู้บอกทางเท่านั้นเองเราต้องเดินด้วยตัวของเราเอง งั้นเดไปหวังนาว่าจะต้องยกมือต้องถามอะไรงี้ดูเอาคนที่ที่มีปัญหาจริงๆที่ติดข้องจริงๆมีไม่มากหรอกแต่คนที่ถามหลวงพ่อแต่ละวันนั้นหลายสิบเหลือเกินหลายคนเลยที่เป็นคำถามที่เกินจำเป็นรู้สึกัหมคำตอบที่ได้รับก็คือไปรู้เอางั้นลองดูซิถ้าว่าเรารู้สภาวะที่ว่าเรามีปัญหาเนี่ยถ้าเรารู้เอาเราจะผ่านได้จริงไม่จริง ลองดูสิคำตอบส่วนใหญ่ก็คือรู้เอานะส่วนที่ไปติดไปคล้องในสภาวะแปลกๆเอาตัวไม่รอดจริงๆไมีไม่มากหรอกนะอกกนั้นก็แค่รู้แต่หลายคนอยากคุยกับหลวงพ่อเผื่อจะมีเสียงออกซีดีได้ออกซีดีแล้วมันออกวิทยุด้วยอะไรเงี้ยนะนะคนแค่นั้นนามีมนะมีมาบอกหลวงพ่อด้วยอุย้ยมีเสียงหนูในซีดีแผ่นที่28หลวงพ่อฟังหรือยังคะ ฟังทำไมไม่เคยฟังสักแผ่นเลยดีใจใหญ่เนี่ยหนูไลฟ์ซีดีแผ่น28แนเขาแจกไปเยอะแล้วไม่ได้เจตนาให้เขาฟังทมนะให้เขาฟังเสียงหนูนะไอ้อย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้ฝึกนิสัยอ่อนแอนิสยัยที่ไม่ใช่ชาวพุทธที่มุ่งขัดเกลาตัวเองจริงๆเราสู้เอานะสู้เอา พูดด้วยตัวเองให้มากที่สุดเลยเหลือวิสัยสุดความสามารถแล้วมาถามครูบาอาจารย์สมควรนะเรื่องพูดเล่นๆพูดเอาสนุกพูดอะไรพูดเอาหน้ามีนะพูดเอาหน้านี่เยอะเหมือนกันนี่เราพูดดักไว้อย่างนี้แล้วเอาต่อไปใครมีความจำเป็น63า63าเิเชิญเวลาถามหลวงพ่อนะถามที่จำเป็นนะไม่ต้องบรรยายรายวัน ส ก, การหลวงพ่อค่ะก็ดูจิตมาประมาณหนึ่งปีก็รู้สึกว่ารู้สึกตัวได้มากขึ้นใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังเผยเลยนะใจเราขี้มโมโหนะขี้งุนหงิดง่ายไม่เวลาใจมันหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันมันรู้ทันมันไปรู้ด้วยความเป็นกลางอย่าไปบังคับตอนนี้เริ่มบังคับแล้วรู้สึกไหมขนาเนี้เพ่งอยู่น ะ, ะ, ะให้รู้เอาไม่ได้ให้เพ่งเอาเนี่ยใจไหลไปคิดทราบไหอ ไปดูอย่างนั้นแหละร้อสบสองีนะไปฝึกเอาปีหนึ่งได้ขนาดนี้ก็เก่งกาบสนกษาการหลวงพ่อคะ่ะฟังซีดีหลวงพ่อคะ่ะแล้วก็ปฏิบัติรู้สึกว่าจะรู้สึกเวลาอารมณ์แรงๆจะรู้สึกอะคะ่ะแต่ว่าใหม่ๆก็รู้ของแรงๆก่อนค่ะนะแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าจะรู้กาย บ่อยกว่าดูจิตได้ดูกายก็ได้ดูจิก ต, นะตญญก็ได้ดูกายถูกต้องนะสติสมา ธ, มาธิปัญญาก็เกิดดูจิตถูกต้องนะสติสมาธิปัญญาก็เกิดสติสมาธิปัญญาอย่างเดียวกันด้วยนะที่ทํานี้ถูกแล้วใช่ไหมถูกแต่ตอนนี้เพ่งนึกออกมนึกออกค่ะตอนนี้จิตไม่ถึงฐานรู้สึกไหมจิตกระจายออกไปข้างนอกนึกออกไหมโ <c oughs> ลง่งๆว่างๆสบายๆรู้สึกไหม <c oughs> อย่าให้ติดในความโล่งความสบายตัวนี้นะมันจะขี้เกียจ ยิ่งเช็คชี้เกียรรู้กายรู้ใจพาะรู้กายรู้ใจแล้วมันเห็นแต่ทุกข์ความห น, นีไปอยู่ที่โลง่ลงๆว่างๆเลยสบายอย่าไปติดตัวนี้นะอดทนเนาะเรียนรู้ทุกข์ไปร1 0สิบกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคือว่าโยมได้เออร์ลี่ลีไทออกจากราชการเมื่อวันที่หนึ่งที่เมื่อวานนี้นะคะวันแรกทีนี้โยมกออ็วางแผนไว้ว่าวันที่25ตุลาค่ะจะไป บวชเป็นสามเณรีที่เชียงใหม่คะ่ะจึงวันนี้ก็เลยมากราบพระอาจารย์ขอเมตตาคําแนะนําจากพระอาจารย์คจะพัฒนาสติ<ะ>ไปนะบวชก็ไปบวชไม่เป็นไร <Okay. S 2> แต่ว่าตัวสําคัญนะภาวนาให้เป็นนะหลวงพ่อเห็นภิกษุณีสามเาณ ร, รีอะไรไม่ค่อยภาวนาบางทีเที่ยวมวดแต่วิ่งไปวิ่งมานะไม่ดีครับขดภาวนาะอย่า ก, กดนะอย่าเพ่งให้รั่ว <Okay. S 2> เอาซีดีหลวงพ่อไปเป็นเพื่อนนะ <Okay. S 2> ฟังไปเรื่อย ตอนนี้กดอยู่ทราบไหม <Okay. S 1> ไปดูเอาการบวชไม่ใช่โซลูชันนะ mm hmm. การบวชไม่ใช่คําตอบทั้งหมดหรอกไปบวชก็คือไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งโลกในวัดโลกในสํานักนักบวชนี่ยุ่งเหยิงไม่แพ้โลกข้างนอกหรอก <Okay. S 1> มันจําลองโลกภายนอกเข้ามาท่านั้นเองเป็นวงแคบๆขึ้นจะจําลองโลกข้างนอกก็คือจําลองโลกของความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละนะไม่มีให้พร้อมเลยในนั้น เราไปดูเอางานหลักของเราเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่เรียนรู้คนอื่นนะ <Okay. S 1> เรียนรู้ตัวเองตรงนี้ก่อน <Okay. S 1> อ่ะเปอรซีสิคขอบพระคุณค่ะค่ะหลวงพ่อคือเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อสามเดือนก่อนมาท่านพระอาจารย์ทักว่าเวลาดูเวลาดูไม่เหมือนคนที่ดูฟุตบอลอยู่บนอัศจรย์นะคะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาพอจะรู้แบบเป็นกลางๆบ้างไหมคะ ดีขึ้นนะแต่ตอนนี้จิตสว่างเจ้าออมารู้สึกไหมค่ะเ อ, อนี่เจ้าเกินไปนะไปประคองมันไว้แล้วมันเจ้าออกมารู้สึกไหมเมื่อกี้นะ่ะประคองไว้อีกเนี่ยขนาดนี้รู้สึกไหมใจมันซึม ซ, มซึมนิดหนึ่ง mm hmm. ดูออกไหมใจไม่ใช่ตัวจริงของเราตัวจริงสนกว่านี้นึกออกไหมตัวนี้มันเรียบร้อยไปนิดหนึ่งนะปลดปล่อยเอาตัวสนๆออกมาแล้วตามรู้มันไป การที่เราประคองใจให้นิ่งให้สว่างให้นุ่มนวลก็ เ, เป็นพบพบหนึ่งนะดีกว่าพบชั่วร้ายนะแต่ก็เป็นพบพบหนึ่งเหมือนกันเราก็เรียนรู้รู้ให้ถ่านตอนนี้ดีกว่าตะกี้นิดนึงรู้สึกไหมใจไม่เจ้าออกไปข้างนอกเนี่ยเข้าไปสังเกตแล้วรู้สึกไหมส่งจิตเข้าไปดูตัวนี้ก็ผิดนะมันไวมากดูไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะเออไม่ต้องรู้เรื่องหรอกนะมันไวจริงหรือว่าหนูจะดูกายไปดีคะพระอาจารย์ดูกายไป จริงๆเหมาะก็ดูกายนะดูกายแล้วจะเห็นจิตชัดขึ้นค<ะ>เห็นไหมร่างกายพยักหน้ารูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจิตที่ตื่นตัวเนี่ยเนี่ยคือจิตที่ตื่นละเห็นไหมพอเห็นว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วจิตก็ตื่นขึ้นมาตรงนี้ไม่ใช่ล้วตัวนี้เพ่งแล้ะจงใจเข้าไปดูผิดนะเห็นไหมร่างกายมันเม้มปากร่างกายมันผงกหัวไปมา <c oughs> รู้สึกดได้ง่ายกว่าใจค่ะไปดูกายเลยถูกฉลิตจะดูกายนะเราเป็นตันหาฉลิตดดูกายไปรักสุกรักสบายรักสวยรักงามเนียรู้สึกไหมเรารักสวยรักงามรู้สึกค่ะนั่นแหละไปดูกายไว้ร้อยสี่สิบสามหลวงพ่ อ, อนวัตการค่ะจะถามว่ามันมันยังอึดอัดอยู่ด้วยอะค่ะกลัวไปแล้วมันจะยิ่งแน่นกลับมาค่ะอย่าไปภาวนาด้วยความโลภ เวลาเราไปอยู่วัดภาวนาเนี่ยนะไม่ใช่ไปถึงก็อยากภาวนาจ้องเอาจ้องเอายิ่งแน่นเลยไปอยู่วัดก็ไปหางานทำเขาไปกวาดวัดก็มีโรงครัวไปช่วยเขาบ้างอย่านึกว่าทําอย่างนั้นแล้วเสียเวลาภาวนานะมันทำให้เราไม่หมกมุ่นร่างกายเคลื่อนไหวไปคอยรู้สึกอย่างเราไปอยู่คนเดียวปิดประตูอยู่คนเดียวนะเรานั่งดูเลยซึมๆไปไม่เดืยดเอามากระทบอารมณ์เขา เห็นหน้ายายคนนี้มันยุ่งไม่ชอบมันรู้ว่าไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเอามากระทบอารมณ์บ่อยๆและะ้วแต่เนอย่างนี้ไม่เอาอย่างเม่กี้นี้ใช้ไม่ได้นะนี่ทําใจลราท้อเราตัวยลงไปไม่ได้นะพยายามรู้สึกไล้รู้สึกเลยใจมันอ่อนลงไปเมื่อกี้นี่ยนะพยายามรู้สึกตัวให้มันเข้มแข็งไว้แล้วใจมันชอบช่วงนี้ภาวนานเละเทะมากเลยค่ะแล้วเหมือนมันมันชอบร้องเพลงทั้งวันเลยค่ะถ้ามันไม่ได้ การที่จิตมันปรุงความฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเสียเปรียบมันนะมันกำลังแสดงจุดอ่อนให้เราอยู่เนี่ยไม่ได้ฝึกกระบี่ไม่รู้มันมีเพลงกระบี่นะอย่างเคลื่อนไหวเนี่ยพวกที่เคลื่อนไหวเยอะเนี่ยเปิดจุดอ่อนเยอะจิตเนี่ยมันเคลื่อนไหวตลอดนะถ้าเราดูเป็นนะเราจะเห็นจุดอ่อนของมันเต็มเลยทำไมจิตร้องเพลงได้เองเพราะจิตไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้ร้องแต่จิตร้องเห็นไห มันแสดงอนัตตาให้เราเห็นแล้วนะนี่เรามาแต่ตกใจอุ้ยตายแล้วจิตร้องเพลงแถมมาร้องในวัดด้วยอย่าว่าแต่ร้องเพลงเลยผู้หญิงหลายคนเลยที่อยู่ๆจิตพูดลามกขึ้นมาตกใจอุ้ยตายแล้วนีฉันเป็นกุลสตรีทําไมเธอพูดลามกได้จิตมันแสดงจุดอ่อนนะมันแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานของมันได้เองมันคิดได้เองมันปรุงได้เองมันไม่ใช่เราหรอก เพราะงั้นอย่าตกใจเวลาจิตทําอะไรขึ้นมาเห็นไหมมันทําของมันเองดูอย่างนี้เรื่อยไปนะสุดท้ายกิยเลสจะโดนเราน็อกเอาคือให้สอนใจตัวเองลงไปไม่สอนให้รู้ไม่ได้ให้สอนอาอก็รู้ว่ามันร้องเพลงเราเออก็ดูมันร้องไปเห็นไหมแกร้องเพลงฉันไม่ได้ร้องดูอย่างนี้อ๋อให้บอกนิดหนึ่งเออบอกนิดหนึ่งก็ได้เอาอยากบอกเอ้อมีต่อรอง แ ล, แล้วอย่างงี้ไปอยู่วัดไม่ต้องไม่ต้องทําในรูปแบบเยอะใช่ไหมคะหลวงพอ่อให้ไปทำงานนะถ้าคุณไปอยู่วัดแล้วคุณไปตั้งหน้าตั้งตาทํ า, า, า, า, าในรูปแบบนะจะเพ่งกลับมา<อ>นะเพราะตั้งใจจริงแล้วเดือนเนี้ยฉันจะสู้ตายและสละชีวิต <c oughs> เป็นพุทธบูชาแล้วกลับมาเป็นนักเพ่งเป็นบูชาฤาษีมาเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำไหมเ น, นี่ยแนะตั้งเยอะแล้วนะเอาไปทําเมาหลวงพ่อคะแล้วหนูทํากรรมกับแม่ไว้เยอะมากเลย ก่อนไปต้องขอขอมากรไปขอคํามาแม่ก่อนนะต้องคิดอย่างนี้นะว่าเราไปคราวนี้เราอาจจะตายก็ได้นะมหรือแม่อาจจะตายก็ได้เห็นไหมไม่มีโอกาสแล้วงั้นไปบอกนะว่ารักแม่นะแล้วไปขอคํามาแม่อะไรที่อยากพูดกับแม่รีบไปพูดซะก่อนเดี๋ยววันหลังจะมาแตงแหน่วแตงแหน่วหลวงพอ่อช่วยบอกแม่หนูหน่อยนะไม่เอาอ่ะไปบอกกันเองก่อนนะเออ บอกขอเขามาเขาตัดใจมันก็ยังแบบเห็นความหงุดหงิดเขาตลอดคือแม่มาหงุดหงิดตลอดไม่เป็นไรนะไปดูเอาจิตเขาหงุดหงิดขึ้นมาได้เองเห็นไหมเขาแสดงจุดอ่อนให้เราดูละวเขาแสดงออกมาว่าเขาทํางานได้เองเขาไม่ใช่เราหรอกเราภาวนาเพื่อวันหนึ่งจะได้เห็นว่าเขาไม่ใช่เราการที่มันทํางานได้เองเนี่ยมันแสดงให้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เราหรอกน หลวงพ่อคะแล้วคําถามสุดท้ายคะ่ะนั่งแล้วก็กระดิกนิ้วไปนั่งฟังเทศไปกระดิกนิ้วไปอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าจะต้องการอะไรถ้าต้องการฟังให้รู้เรื่องก็อยากกระดิกตั้งใจฟังเหมือนฟังเลคเชอร์นี่คือเรียนปริยัตินะถ้าจะขยับมือทําความรู้สึกตัวไปก็ไม่ต้องสนใจเรื่องการฟังฟังไม่รู้เรื่องไม่จําเป็นนะขยับไปแล้วใจหนีไปแล้วรู้ใจหนีไปแล้วรู้ขยับไปเพื่อรู้ทันจิตจำไว้นะเคลื่อนไหวเพื่อจะรู้ทันจิตนะ ไม่ใช่เคลื่อนไหวเพื่อบังคับจิตจับหลักตัวนี้ให้แม่นนะไม่งั้นพลาดขอบคุณค่ะเก้าสบสองอะอยู่ข้างหลงังใครรักแม่ก็ไปบอกแม่นะไม่ต้องรอให้ตายแล้วมาจุดทูบบอกยังกระทูบเป็นเครื่องมือสื่อสารเนะีนะ่ยกาบนมัธยคาของพ่อนะครับคราวที่แล้วที่ผมส่งกลัรบ้านนี่หลวงพ่อบอกว่าให้ไปขยันนะครับ ก็ตอนนี้ผมก็ปฏิบัติในรูปแบบกับทุกวันนะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามคิดว่าการปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยก็คือให้เหมือนกับชีวิตประจําวันเหมือนกินข้าวเหมือนอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับถูก ค, <ล>คุณรู้สึกไหมจิตคุณสบายขึ้นครับแล้วคือตอนนี้เนี่ยก็คือถ้าอารมณ์แรงๆคือเป็นคนโทสะจริตใช่ไหมครับคือโกรธเนี่จะเห็นแต่ขุมเคยฟังซีดีหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าให้ดูแค่โกรธกับไม่โกรธก็พอแต่คือตอนโกรธเนี่ยคือเริ่มเห็นชัดเรื่อยๆแล้วเนี่ยครับ ก็เลยไปดูเรื่องความเผลอไปแต่ก็ยังรู้สึกว่าถึงแม้ปฏิบัติในรูปแบบแล้วว่าก็ยังไม่ค่อยรู้ตัวเรื่องความเผลอเท่าไหร่แล้ว เ, เราเห็นตัวไหนเอาตัวนั้นแหละแค่จิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธเนี่ยก็ครอบคลุมจิต ท, ทั้งหมดแล้วะครอบคลุมจิต ท, ทั้งหมดอยู่แล้วแค่นั้นก็พอแล้วใช่ไหมครับแค่นั้นก็พอแล้วนะแล้วผมถามนิดนึงว่าเรื่องจิตตั้งมั่นที่ผมเคยจิตตั้งมั่นบ้างไหมครับคือตั้งมั่นนะตั้งมั่นเวลาจิตมันตั้งมั่นเนี่ยมันจะเห็นในร่างกายก็อยู่ส่วนร่าางกยนะ จิตก็เป็นแค่คนดูมันจะเห็นว่าความสุขความทุกข์ก็ส่วนเวทนาไปจิตเป็นแค่คนดูคนละส่วนกันมันจะเห็นว่ากิเลสนะผ่านมาผ่านไปจิตเป็นแค่คนดูอย่างนี้แล้วจิตมันตั้งมั่นอยู่ ค, คุณรู้สึกไหมกิเลสมันไหลามาไหลไปเห็นครับนั่นแหละดีจิตตั้งมั่นอยู่แล้วผมจะต้องมีอะไรจะต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหมครับหลวงพ่อใจเย็นๆนะแล้วขยันดูบ่อยๆไม่รีบร้อน คือขยันดูแต่บางทีมันดูไม่เห็นแบบไม่เห็นรู้ว่าไม่เห็นไม่เห็นก็รู้ไม่เห็นอยากเห็นรู้ว่าอยากนี่รู้ลงปัจจุบันอย่างนี้คุณภาวนาดีขึ้นเยอะเลยครับผมครับร้อยยีสิบเได้ยินแล้วตอนนี้คือได้มาเป็นครูสอนทำสมาธิค่ะแล้วก็ได้ให้นักเรียนเนี่ยขีดเรื่องของความคิดก่อนก็บอกเขาว่า ทำทั้งหลายนี้เกิดจากความคิดแล้วก็เกิดจากการปรุงแต่งในขณะที่สอนเนี่ยตัวผู้สอนเองก็ได้เห็นความคิดที่กระโดดไปกระโดดมาดีค่ะแล้วทีนี้ก็เข้าใจแล้วค่ะว่าจริงๆหลวงพ่อไม่ได้สอนให้อยู่กับความว่างแต่ให้ว่างจากการที่นึกคิดปรุงแต่งที่มันจะต่อต่อ ย, ยอดเกิดจนเกิดอารมณ์ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะคือเราไม่ได้ไปพูดเรื่องว่างอะนะค่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจแบบ ตามความเป็นจริงให้เราตามรู้ไปเรื่อยถ้าตามรู้ไปถูกต้องนะใจก็หมดความปรุงแต่งไปจิตของเราโดยธรรมชาติเนี่ยปรุงแต่งตลอดเวลากระทั่งจงใจจะไม่ปรุงแต่งก็คือความปรุงแต่งอันหนึ่งนะเฉะั้นเรารู้ไปเลยจิตปรุงอะไรขึ้นมาก็รู้ปรุงสุขก็รู้ปรุงทุกข์ก็รู้ปรุงกุศลปรุงอกุศลก็รู้เราเห็นว่าทุกอย่างนะั้นเป็นของโชคข่าวอาจารย์ไปดูเลยนะ สอนเด็กให้ดูไปเลยความรู้สึกทุกอย่างเป็นของโชั่วคราวดูอยนี้แล้วในบางครั้งก็ไปติดในการประคองอารมณ์ดีไว้แต่พอมีสิ่งที่มากระทบเป็นที่รู้สึกขัดใจจิตก็กระโดดมาในอารมณ์ที่ไม่พอใจพอมีคนชื่นชมเราสักหน่อยเราก็กระโดดไปที่อารมณ์ที่พอใจดีให้รู้ทันเขาอย่างนั้นนะดูไปเพื่อให้เห็นว่าเขาไม่คงที่เลยนะแต่อาจารย์ระวังอย่าไปเพ่งให้มันคงที่ขึ้นมานะ อันนี้คือยังแก้ไม่ได้เลยค่ะยังติดอยู่นะตรงนี้ใช่ค่ะดีที่รู้ถ้ารู้แล้วไม่ค่อยเป็นปัญหาละค่ะแล้วในขณะนี้คือรู้สึกในจิตใจยังขุนขุนมัวมัวอยู่เพราะว่าเหมือนมีโมหะเข้าแทรกอยู่ตอนนี้ใช่ใถูกต้องให้รู้ทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางนะจำไว้นะถ้าเกิดไปเห็นมัวมัวขุนขุนแล้วจิตไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบอยากให้หายรู้ว่าอยากจะรู้ลงปัจจุบันอย่างนี้เรื่อยๆตอนนี้จิตไหลไปคิดวูบหนึ่งทราบไหม เห็นค่ะแล้วจะทำยังไงที่จะทําให้ใจมันเป็นกลางได้คะใจจะเป็นกลางเนี่ยเป็นกลางเกิดได้3แบบเป็นกลางอย่างที่1เกิดด้วยการข่มมาไว้บังคับไว้นะอย่างนี้ใช้ไม่ได้เป็นกลางอย่างที่สองเป็นกลางเพราะมีสติเช่นใจเราโกรธขึ้นมาเราเห็นว่าอยากหายเนี่ยใจไม่เป็นกลางมีสติรู้ทันว่าอยากอยากให้หายโกรธนี่พอรู้ทันนะความอยากนี้ดับไปจิตก็เป็นกลางอันนี้เป็นกลางด้วยสติอันแรกเป็นกลางด้วยการข่มมาไว้ใช่ไหม กลางี้ใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยอีกอันนึงเป็นกลางด้วยสติคือรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางพอ ร, รู้ทันแล้วมันจะดับไปเองจิตก็จะเป็นกลางแต่เป็นทีละขณะขณะ <c oughs> อีกอันหนึ่งที่วิเศษที่สุดเลยคือความเป็นกลางด้วยปัญญา <c oughs> เป็นกลางด้วยปัญญานี่อาศัยการมีสติตามรู้สภาวะทั้งหลายเรื่อยไปนั่นแหละจนวันหนึ่งปัญญามันเกิดมันเห็นว่าความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวนะ กุศลน่ะกุศลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอยู่ชั่วคราวสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเรื่อยนี่พอจิตเห็นอย่างนี้เนี่ยจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาคือปัญญาเห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปดับไปตัวเป็นกลางตัวนี้เรียกว่าปัญญาตัวนี้เรียกว่าสังขารู้เบกขายาณถัดอย่างนี้อริยมรรคก็จะเกิดขึ้นแล่ะในชีวิตนี้โยมพอที่จะมีสิทธิ์เห็นความเป็นกลางได้ไหมคะได้สิสาธุค่ะไปดูเอานะไปดู <170. S 2> ร้อยเจ็ดสิบจลมั้ทันหมดหรือยังพอครับก็ฝึกมาได้ประมาณเจ็ดเดือนแล้วครับผมอ๋อแล้วไงก็คอยดูกายดูใจในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ทําความสงบด้วยครับผมก็เห็นกิเลสได้บ่อยขึ้นแล้วก็มีมมสติมากขึ้นนะครับผมเออดีนะตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้รู้สึกกดๆวันนี้ถูกต้องใช้ได้สอบผ่านครับ ต, ต้องแก้ไขตรงไหนไหัหยครับหลวงพ่อสม่าเสมอนะอทุกวันแบ่งเวลาไว้ช่วงหนึ่งเลยภาวนาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมไม่ต้องใช้เวลามากก็ได้นะแต่ทำทุกวันการที่เราทำสม่าเสมอทุกวันเนี่ยจะทำให้เราไม่ขี้เกียจเวลาหลงก็จะหลงไม่นานไม่งั้นบางทีหลงโลกไปทีหนึ่งหายไป ห, าไปหลายวันเลยนะครับขอบพระคุณมากครั บ, <198. S 3> บร้อยเก้าสิบปดกาบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะก็ มาเป็นครั้งที่สามนะคะอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติที่ผ่านมาหนูเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นแล้วนี่นะรู้สึกไหมจ้ะนะใจเราก็มีความสุขมากขึ้นค่ะค่อยรู้ไปเรื่อยนะค่ะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวรู้จักใจลอยหรือ ย, อยังรู้จักค่ะรู้จักเพ่งหรือ ย, อยังรู้จักค่ะเออรู้จักสองอันนี้ใช้ได้ละค่ะระหว่างรอรอไม ก็น้ำตามันปิ่มอยู่ตลอดอืมก็รู้ไปจิตามจิตมีปีติก็แค่รู้นะเดี๋ยวพอวางไม้แล้วก็หายจ้แล้วตอนเนี้ยจ้าจ้าแล้วใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมค่ะเออก็คิดถึงคำถามว่าจลิตของของหนูนี่จะต้องเป็นคนช่างคิดนะดูจิตไปเลยดูจิตนะคะค่ะร้อยหกสิบเอ็ดขอบพระคุณค่ะครับผมฝึกมาได้ห้าเดือนครับ ดูกายดูจิตครับตอนนี้ก็ดูกายโดยที่เคาะนิ้วนะครับแล้วก็ดูกายไปเรื่อยๆนะครับถ้าดูจิตได้ก็ดูนะครับแล้วก็เดินจงกรมทุกวันเป็นรูปแบบครับผมไม่ทราบว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็เห็นครับก็เห็นกายมันแยกออกมาเห็นจิตเห็นเวทนาแยกแยกออกมานะมันต้องแยกได้อย่างนั้นแหละครับ เห็นไหมกายก็ไม่ใช่เราเห็นครับเห็นนะเวทนาไม่ใช่เราเห็นไหมกิเลสก็แยกออกไปครับกุศลก็แยกออกไปอะไรอก็ไม่มีเราหรอกครับผมแล้วเห็นไหมจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเห็นครับเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้เพ่งรู้สึกไหมตัวจิตเองก็เกิดดับเหมือนกันเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปทางใจไปคิดดูออกไหมครับนะคุณเฝ้ารู้ไปอย่างนี้แหละมีแต่ความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงอยู่ในขันทั้งหลาย ถึงวันหนึ่งมันพอนะปัญญามันก็ตัดสินขึ้มาว่าทุกอย่างเกิดระดับไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรหรอกดีภาวนาอีกคขอบคุณครับอซิกนี้บ้างนะยกเว้นทีมกรตรตรวมทั้งพวกที่นั่งด้วยนะเบอร์อนะไร192เอเอาย่อๆนะพวกเราอย่าคุยยาวให้หลวงพ่อคุยยาวคนเดียว วก็อดัมเขาอยู่ครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะอ า, อาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วเขาก็จะขอบคุณสําหรับคําสอนของหลวงพ่อบอกเขาหน้าว่าจิตของเขาเริ่มตื่นขึ้นมาแนละ้วะจิตที่เริ่มตื่นขึ้นมามันเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวจิตมันโปร่งโล่งเบามากขึ้นมากขึ้นแต่ตอนเนี้ยใจลอยอยู่เนี่ยเขาเริ่มเห็นสภาวะแล้วรู้ทันจิตที่ใจลอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะ การภาวนาไม่มีอะไรมากหรอกถ้าจิตลงไปคิดแล้วก็รู้จิตก็จะตื่นขึ้นมาเดี๋ยวลงไปคิดอีกก็รู้แล้วมันก็ตื่นขึ้นมาอีกในสุดจิตมันจะเกิดปัญญามันจะเห็นว่าประเดี๋ยวจิตก็หลงไปเดี๋ยวจิตก็รู้สึกเดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้สึกจิตที่หลงก็ไม่คงที่จิตที่รู้สึกก็ไม่คงที่จิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นเลยเฝ้ารู้อยู่อย่างนี้บ่อยๆนะสุดท้ายจิตมันจะได้ข้อสรุป ของมันเองว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปคราวนี้ไม่ว่าชีวิตจะไปผจญอะไรไปเจอความสุขนะก็ไม่หลงระเริงอ่ะเพราะรู้ว่าความสุขก็อยู่ชั่วคราวชีวิตไปเจอความทุกข์นะก็ไม่กลุ่มใจนะก็รู้ว่าความทุกข์มันก็อยู่ชั่วคราวนี่เองฝึกไปจนเห็นโลกนี้มันเป็นแค่ของชั่วคราวนะนะชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นะจิตใจมันจะดิ้นรนลดลงนะชีวิตก็จะมีความสงบสุขมากขึ้น จะไปพอนาเองอีกหนึ่งเดือนพอนานดีนะพนาใช้ได้แนละ้วใจตื่นขึ้นมานะมีอะไรอีกไหมเนี่ยหลวงพ่อตอบให้หมดเลยเพราะเขาพูดมาหลวงพ่อไม่รู้เรื่องหลวงพ่อเลยรีบตอบไว้ก่อนอา้าวร้อยแปดสิบซีพอดีจะถามให้คุณแม่ค่ะอพอดีคุณแม่ฟังซีดีมาสักระยะหนึ่งแล้วะคะ่ะคุณแม่อยู่เนี่ยคะ่ะไหน หลวงพ่อช่วยแนะนาให้ด้วยกรุณาได้ค okay> ah ่ะขอบคุณค่ะก็แค่รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะของโยมเป็นคนช่างคิดคนที่ช่างคิดอย่างนี้ดูจิตง่ายสังเกตไหมจิตเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยจิตเราในวันเดียวกันนะเช้าสายบ่ายเย็นก็ไม่เหมือนกันนะเราคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆเท่านั้นแหละอ่าต่อไป36อ่า ค่ะก็ฟังซีดีมาระยะหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนคิดมากก็เลยพยายามดูจิตตัวเองอช่วงหลังเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองเผลอแล้วก็จะจะทราบ ว, ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกายกระใจมันเป็นทุกข์เริ่มรู้ตัวค่ะแต่ที่นี้ปัญหาคือเวลาอยากจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเนี่ย ไม่สามารถทำได้ทำได้ระยะเดียวรู้สึกว่าจิตฟุง้งซ่านก็เลยอยากมะขอคําแนะนำค่ะคือคนซึ่งมันปัญญากล้าเนี่ย mm hmm. เวลาทาความสงบนะจะสงบแวบๆบแบบไม่สงบนานหรอกนั้นคุณจะไปหวังว่าจะให้สงบยาวนานไม่เป็นหรอกมันสงบได้นิดเดียวเดี๋ยวก็จะเคลื่อนขึ้นมาทำงานต่อให้เรามีสติตามดูไปอีกฝึกไปอย่างนั้นแหละ <c oughs> นะจิตดีขึ้นตั้งเยอะแล้ว รู้สึกไหมมีความสุขขึ้นตั้งเยอะแล้วใช่ค่ะพรทุกๆุครั้งเวลาเริ่มอ่านจิตตัวเองออกก็จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีสุขขึ้นฝึกไปนะแล้วชีวิตจะดีขึ้นขอบคุณค่ะคนข้างๆเราเนี่ยเขารู้ตัวบ้างไหมว่าเราเปลี่ยนไปค่ะเขาเห็นค่ะดีเราทำความดีนะเขาเห็นวันหลังเขาก็อยากภาวนาบ้างค่ะร้อยนี่อยู่ทางนี้ข้างหน้าเลย นามัสการหลวงพ่อครับเอาเนื้อๆ น, นะครับคือ <c oughs> ช่วงหลังเวลามีกิเลสมากๆจะรู้สึกเหมือนใจมันโดนเผาไปเผามาโดนอะไรนะโดนเผาเหมือนมันโดนเผาไปเผามาถูกต้อง เ, เลยแล้วพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะถูกเผาแน่นอนแล้วก็นอกจากเนี้ยครับเวลาเจอเรื่องที่เราประทับใจหรือว่าเมื่อก่อนควรจะมีความสุข บางครั้งมันเห็นความเจ็บปวดข้างในแทนครับอืมนะให้รู้ไปครับแล้วก็ผมเคยมีความกังวลแล้วก็ไปนั่งสมาธิก็เลยเห็นความอึดอัดดิ้นรนบีบคั้นทําอะไรไม่ได้ก็เลยทนดูไปอืจนนั้นปล่อยเองเออนะจริงๆมันทําอะไรไม่ได้อ่ะครับให้รู้มันไปนะถ้ามันรู้จริงแล้วมันวา ง, งมันเองครับนะ หลวงพ่อมีอะไรใช่ไหมเพิ่มไหมครับไปดูอีกนะดูด้วยความสบายใจนะอันนี้มันเคร่งเครียดไปอ๋อครับนะแล้วที่ทําสมาธิทุกวันนี้ใช้ได้ไหมครับทําให้ดูหน่อยสิอุ้ยไม่ได้แน่เลย <laughs> ไม่ถูกนะเริ่มเป็นผิดตั้งแต่ตรงนี้แหละ <c oughs> นึกออกอยัง <c oughs> มันดัดแปลงมันไม่ใช่รู้สบายๆมันเข้าไปบังคับเข้าไปแทรกแซงถ้าฝึกแล้วโมหะจะมากขึ้นถึงได้ซึมไงอ๋อครับนะ ซึมมาเกิดจากไอตรงที่ทำอย่างนี้แหละอองั้นก็รู้จิตไปแทนครับต่อไปร้อยเก้าสิบสามมัศการหลวงพ่อครับก็ปัจจุบันก็พยายามปฏิบัติในรูปแบบมากขึ้นนะนะฮะก็ะพยายามใช้เวลาช่วงเย็นกลางคืน <S 2> <S 2> <S 2> แต่ช่วงเช้าพยายามหลายครั้งแล้วไม่ค่อยสำเร็จ<ช>ไม่ค่อยตื่นข<ช>ึ้นมาทํช่วงเช้าไปทำงานใช่ไหม ใช่ครับเนี่ยเรานั่งรถไปก็คอยดูไปกระสรับกระสายไปอย่างงี้ครับนะก็อยากจะสอบถามหลวงพ่อเหมือนกันว่าภาวะจิตดีขึ้นบ้างไหมครับดีขึ้นสินะจิตมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นรู้สึกไหมรู้สึกครับนะจิตตั้งมั่นมากขึ้นมีแรงมากขึ้นแต่ว่าอย่าให้มันนิ่งนะก็คอยปล่อยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตมันเคลื่อนไหวไปดูมันทํางานไปถ้าจิตมันเกิดนิ่งนิ่งขึ้นมาก็ามาดูกาย เวลาเราทําความสงบทําสมาธิมากบาทีจิตมันนิ่งถ้จิตนิ่งให้มันดูกายเห็นร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูไปมีอะไรที่หลวงพ่อจะต้องช่วยแนะนําด้วยได้ไหมครับะระวังอย่าไปขม่มจิตให้นิ่งก็แล้วกันนะจิตมิตที่มีแรงมากๆเนี่ยถ้าไม่ระวังให้ดีมันไปน บ, บังคับจนกระทั่งมันนิ่งไปเลยนะตอนนี้จิตเรามีแรงลนะปล่อยให้มันทํางานไปแล้วมีส ต, ติตามดูไป ถ้าเกิดจิตไม่ยอมทำงานจิตไปอยู่นิ่งๆเฉยๆนะก็มาดูกายไวนะ้เห็นกายเคลื่อนไหวไปเดลือสักพักจิตเขาเคลื่อนเดินจงกรมอะไรอย่างนี้ไปใช่ไหมครับเดินไปสบายๆนะอย่าจริง mm hmm. จังนะคุณจะอย่าจริงจังมากไปสม่าเสมอทาสม่ำเสม อ, สมสมอแต่ไม่จริงจังร้สบกาับรการครับหลวงพ่อเพิ่งเริ่มปฏิบัติได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับ อยากจะถามหลวงพ่อว่าที่ผมรู้สึกที่ทำอยู่นี่ใช้ได้นะใช้ได้ใช่ไมใช้ได้นะไปดูต่อนะทำได้ดีแล้วรู้สึกไหมใจเราเปลี่ยนไปรู้สึกครับมันโปร่งโล่งเบานะครับแล้วมันเริ่มเห็นแล้วว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกอันนี้ดูออกยังเห็นไหมร่างกายมันเริ่มอยู่ห่างๆออกไปเห็นไหยโลกมันเริ่มห่างๆออกไปใจเราเริ่มตั้งมั่นสบายๆอยู่ค่อยๆดูไปนะจิตมันยังไม่สรุปให้ฟังไม่เป็นไร ที่ทำอยู่ดีละครับคอมครับไลท์เจ็สิบเก้ากราบนมัสการหลวงพ่ อ, พอคะ่ะเออเวลานั่งสมาธิเนี่ยบางทีเหมือนหูมันดับไปข้างหนึ่งอะคะ่ะเอออย่ายให้ดับสองข้างก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> ยังเหลืออยู่แต่ว่านนข้างหนึ่งเหมือนหอเหมือนมีเสียงอยู่เสียงนึงอะคะ่ะเออเสียงเสียงแมลงตัวนี้จะดังตลอดอืมแล้วพอนั่งนั่งไปบางครั้งเหมือนจิตมันนิ่งก็มาดูกายคะ่ะเออ ดูไกลเคลื่อนไหวแต่ว่าหลังๆเนี่ยเวลาที่มองดูกายเนี่ยมันเห็นเป็นโครงกระดูกอะค่ะเออก็ดูไปหน้าไม่ใช่ตัวเราหรอกเพอดูกายไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ย้อนมาดูจิตบ้างแล้วภาพที่เป็นโครงกระดูกนี่มันไม่หายไปเลยอะค่ะให้ดูที่จิตแล้วนะจริงๆส่วนเห็นโครงกระดูกขึ้นมาแล้วเราพอใจให้รู้ว่าพอใจเห็นโครงกระดูกขึ้นมาแล้วเบื่อให้รู้ว่าเบื่อเห็นแล้วก็กลัวให้รู้ว่ากลัว นะให้รู้ทันที่จิตเนี่ยนะ <Ừ. S 1> อะไรเกิดขึ้นนะให้รู้ทันที่จิตงั้นเราภาวนาไปเราเห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกแล้วนะจิตเกิดความเบื่อขึ้นมาให้รู้ทันที่ความเบื่อเนี้เนื้สุดจิตเป็นกลางนะก็ดูร่างกายไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็แตกสไลายไปหมดแตกสไลายไปหมดแล้วก็กลับมาดูจิตต่ออย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหมาบค่ะนะให้ใครรู้ทันนี้นะนะดูกายไปแล้วก็มารู้จิตดูกายแล้วก็รู้จิตไปค่ะ ข, ขอบพระคุณค่ะเบอร์ห้าสิบ ตื่นเต้นก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะห้ามไม่ได้หรอกตื่นเต้นก็คือว่าไม่ได้ส่งกันบ้านมาประมาณ10เดือนเนี่ยคะ่ะก็ระหว่างที่ระหว่าง10เดือนมาเนี่ยก็มาวัดแล้วก็มีโมเมนต์ที่อยากส่งกันบ้านแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ส่งก็เหมือนกับว่าปัจจุบันนี้อย่างวันนี้คะ่ะก็ใจเป็นกลางมากขึ้นว่าไม่ส่งก็ได้ถูกต้องนะที่ภาวนามก็ดีขึ้นแหละรู้สึกไม้มใจเราเบาๆ สบายสบายะอะไรเกิดขึ้นยินดียินร้ายอะไรเกิดขึ้นก็รู้เอาอรู้เอาแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ตอนนี้ <c oughs> กดไปและคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทําในรูปแบบค่อนข้างมีวินัยอะค่ะคือเช้าชั่วโมงเย็ยนชั่วโมงแล้วเห็นว่าใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเด่นดวงขึ้นมาเลย<ด>นคะคะแล้วแต่ว่าช่วงเนี้ยเนื่องจากว่าพอมันค่อยๆตามใจกิเลสทีละนิดทีละนิดอย่างนี้ค่ะตอนนี้ก็เลยรู้สึกอ่อนแอเอ ไป uh, ทำในรูปแบบนะสม่าเสมอต้องสู้เอาอย่างตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันรู้อยู่นอกๆอกไหใช่แล้วแรงไม่มีแรงไม่มีคนะ่ะแรงมันอ่อนไปคือวิธีแก้คือหนูไม่แน่ใจว่าที่หนูทำในรูปแบบคือเป็นเป็นโซลูชันของหนูหรือว่าใช้อะไรรูปแบบนะใช่ในรูปแบบใช่หคะฮะใช้ใช้หลวงพ่อแนะนาว่าให้เดินนั่นไปเดินจงกรมนะแล้วเห็นร่างกายมันเดิน เดินไปเห็นกายมันเดนินเดินไปเห็นจิตมันแอบไปคิดฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะมีวินัย น, นะเราจะดีเรามีอยู่ช่วงมีอยู่วันนึงอะคะ่ะคือเมื่อประมาณหลายเดือนก่อนแล้วจิตเขาเขารู้สึกว่ามันทุกอะคะ่ะคื อ, อโลกนี้ทุกโมเมนต์มีแต่ความทุกข์ที่รุนแรงนั่นหแหละมันคือความจริงแหละแล้วก็ก็เลยมีฉันทะในการปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็เลยเพิ่งเข้าใจคํากรอนที่อยู่ข้างหน้าวัดใต้ฐานหลวงปู่ดูนะคะอืมอืม สนก็็เปถไปทําอีกนะอ่เบอร์ร้อยหกกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเอคือเพิ่งจะเริ่มปฏิบัติมาได้สักพักหนึ่งนะคะอยากกราบเรียนถามว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยนะคะทั้งการภาวนาคืออาจจะไม่ไม่ได้เยอะชั่วโมงอย่างคนอื่นเขาคือมาถูกทางแล้วหรือยังแล้วก็ถูกจิตหรือยังแล้วก็หลวงพ่อมีคำแนะนําใดๆเพิ่มไหมคะจิตของเราเป็นคนขี้โมโหพอนาง่ายหอกมันโมโหขึ้นมาก็รู้ไป สังเกตไหมตอนนี้โลกเริ่มห่างๆออกไปบ้างแล้วนะไปพอนาอีก97แต่ไม่ให้จิตไปติดนิ่งติดเฉยนะเดี๋ยวห่างๆแล้วเลยสบายไปแล้วพอใจในความสบายอย่างนั้นไม่ได้ท่านอารารหลวงพ่อครับก็ฟังซีดีมาแล้วก็ประมาณปีหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นในรถเช้าเย็นนะครับแล้วก็ตามรู้ช่วงแรกๆก็จะมีกด คิดว่ากดจนแน่นก็แต่ช่วงหลังๆก็ดีขึ้นเอก็มีรู้ว่ากดบ้างรู้ว่าคิดหลงบ้างหลงเยอะขึ้นในช่วงหลังนะครับดีก็จะอยากจะถามหลวงพ่อว่ามันมันพอไปถูกใช่ได้แล้วนะภาวนาได้ดีแล้วแล้วต้องปฏิบัติอะไรเพิ่มทําสม่ำเสมอไหมขอบคุณครับสี่สิบหนึ่งนามศกาหลวงพ่อค่ะเอคือหนูเป็นคนคิดมากนะคะแล้วก็ฟุ้งซ่านเละเทะอะค่ะแต่ว่าก็อ รักสวยรักงามด้วยค่ะก็เลยอยากจะ เ, เรียนถามหลวงพ่อว่าหนูควรจะดูอะไรค่ะมีอะไรให้ดูก็ดูนั้นแหละมันมันจะหลงบ่อยอะค่ะบางทีหลงไปทั้งวันเลยคืออย่างที่หลง น, น ะ, ค, ะคือใจเราเนี่ยเวลาหลงแล้วหลงรุนแรงะนะเวลาหลงแล้วมันจะกระโจนไปโลในโลกของความคิดอย่างแรงเลยค่ะ งั้เราพยายามรู้สึกตัวนะอยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับพุทโธก็ได้ค่ะพุทโธพุทโธแปลพอจิตแอบไปคิดแล้วรู้พุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดแล้วรู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะพุทโธนะคะลถ้าใจไม่เอาพุทโธชอบอย่างอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยคือบางทีคือเคยภาวนาในรูปแบบพุทโธสักพักมันก็จะเดี๋ยวมันก็ไปดูท้อแต่มันก็มาพุทโธหรืออีกทีมันก็หายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอ๋องั้นต้องเคี่ยวเข็นมันหน่อยพุทโธไปเรื่อยๆ ต้องพุทโธนะคะแล้วเวลาใจฟุ้งซ่านมากนั้นก็พุทโธเร็วๆค่ะเวลาใจเริ่มสงบลงก็พุทโธช้าๆพุทโธนี่หมายถึงดูดูดูกายหรือเปล่าคะหลวงพ่อหรือว่าไม่ใช่บริกรรมไหมให้บริกรรมพุทธโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี้ยพอจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นมันก็ลืมภาวะพุทโธไปแล้วก็รู้ว่าจิตหนีไปแล้วค่ะหมายถึงว่าทั้งในรูปแบบแล้วก็ทั้งในชีวิตประจาวันหรือเปล่าคะในชีวิตประจำวันพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะมีดู จะเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยตัวเองจะขี้โมโหอะค่ะจะเห็นความโมโหขี้หงุดหงิดเนี่ยขึ้นมาแล้วบางครั้งมันเห็นเป็นก้อนดําๆมันขึ้นมาที่กลางหน้าอกนั่นแหละค่ะแต่มันก็ไม่หายไปอะค่ะแต่ไม่ได้ฝึกให้หายนะค่ะไม่ไม่ได้อยากให้หายค่ะแต่สงสัยว่าเอะเราก็เหมือนเธาแตลว่าเรายังรู้ไม่ถูกใช่ไหมคะไม่เรารู้ไม่เป็นปัจจุบันจริงอ๋อค่ะใช่ไหมใจเราไม่ชอบมันเราก็ไม่รู้ว่าไม่ชอบ เราสงสัยว่ามันคืออะไรนะเราก็ไม่รู้ว่าสงสัยค่ะอยากให้มันหายอยากให้มันโป่งโล่งเบาก็ไม่รู้ว่าอยากเราไม่ได้รู้ลงปัจจุบันถ้ารู้ลงปัจจุบันก็ค่อยๆหายไปค่ะไม่ไม่ทราบหนูเคยรู้สึกตัวถูกต้องบ้างไหมคะสักครั้งหนึ่งหลวงพ่อเกรงใจเกรงใจไม่เป็นไรค่ะหนูรับได้ค่ะลาบได้เหรอเกือบเกือบแล้วเกือบก็แต่ยังใช่ไหมคะยังค่ะจะได้พยายามค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อมันชอบคิดอ่ะ เวลาคิดแล้วมันหลงแรงที่ที่เห็นไหมเห็นเห็นใจที่อยากพูดไหมเห็นค่ะถ้าเนี่ยเริ่มรู้สึกตัวอย่างเนี้ยเมื่อไหร่เรารู้สภาวะลงความเป็นจริงนะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนั้นก็จะรู้สึกตัวขึ้นแวบหนึ่งค่ะมันแวบเดียวลงไปคิดอีกแล้วแล้วก็อยากพูดอีกแล้วใช่ค่ะพูดให้น้อยลงนะแล้วไปดูเวลาเราคุยกับใครเนี่ยใจมันจะอยากพูดให้รู้ตัวนี้ไว้ร37ขอบพระคุณค่ะอยู่ทางโน้นทางโน้น กลับมมาสการหลวงพ่อค่ะคือว่าอยากจะข อ, อขึ้นมาหน่อยค่ะอยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อนะคะว่าวิธีที่ปฏิบัติที่เหมาะสมกับจริตของตัวเองนะคะที่<อ>ทําอยู่ตอนเนี้ทําไปนะทาไปแล้วก็ค่อยๆรู้สึกไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตเคลื่อนไหวที่ทําอยู่ใช้ได้นะคือ ด, ดูดูกายด้วยแล้วมีการภาวนาในรูปแบบด้วยนะคะได้ได้ทำไปแล้วหลายครั้งจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเพ่งท้องมากเกินไปเออนั่นแหละดีที่รู้ทัน เราจะฟุ้งซ่านมากอะคะออ่ะดีที่รู้ดีอยู่ที่รู้นะไม่ใช่ดีอยู่ที่มันดีไม่ใช่ว่าจิตต้องสุขต้องสงบต้องดีจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนี่ดีนะค่ะก็ให้ทำแบบเดิมต่อไปใช่ทำแบบเดิมนี่แหละทำถูกละเรารไม่ได้ไปเพ่งอยู่ที่ท้องอย่างแต่ก่อนอ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะอา้าวพวกกรตเชิญมีเวลาเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละอ้าวเชิญ นมาสการหลวงพ่อค่ะจะมาขอส่งการบ้านนะคะคือคราวที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อแนะนําว่าให้ดูจิตที่เคลื่อนไหวอะค่ะทีนี้ก็ไปดูก็จะเห็นว่าเหมือนกับว่าจิตตัวเองเนี่ยก่อนหน้านี้นี่ก็ช่วงดูแรกๆก็จะหลงยาวไปมากขึ้นพอดูๆไปมันก็จะสั้นลงสั้นลงแล้วก็เหมือนกับว่าแล้วก็พอมันสั้นปุ๊บเนี่ยก็มาดูกายก็สลับกันแล้วก็เวลากระทบภัสสะมันก็เหมือนกับว่าจิตเราเนี่ยมันไปกระทบอะค่ะก็เลยดูเป็นั้นแหละ ดูไปเรื่อยเห็นแม่ไม่ทํางานได้เองค่ะนะดีค่ะคนต่อไปกรรมนรสกาหลงพ่อครับหลวงพ่อเคยบอกว่าติดเพ่งครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันเบาขึ้นนะเบาขึ้นแล้วแล้วก็ตามรู้ว่าหลงไปคิดได้บ่อยขึ้นนะครับดีดีแล้วมีอะไรติดขัดอีกไหมครับไม่ติดหรอกแต่จิตตอนนี้ไม่ตั้งมั่นหรือบอกไหมจิตมันวิ่งไปอยู่ที่หลวงพ่อเนี้ยครับใช่ไหมมันไม่อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราครับนะ ให้รู้ทันว่าจิตออกนอกรู้เฉยๆอย่าดึงคืนครับนะกันบ้านแค่นี้นะครับโอ้แค่นี้เยอะแล้วครกนะ็จิตจิตเนี่ยมีธรรมชาติออกนอกนะไหลไปตลอดเลยไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดเวลาปฏิบัตินะั้นก็ไหลไปจ้องหรือไหลไปกวานหาเคยเป็นไหมไหลลงไปกวานว่าจะดูอะไรดีมาเจอนี้ปุ๊บก็ไหลไปจ้องเอาไว้นิ่งๆ<ม>เรารู้ทันจิตที่ไหลไปได้นะก็ภาวนาได้เยอะเลย มศกาหลวงพ่อค่ะเออเดิมเป็นคนติดแพ้งอะนะคะครนี้เนี่ยพอตอนนี้เริ่มที่จะใช้ความรู้สึกตัวแล้วพอรู้สึกตัวจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไปบังคับมันพอมาไปบังคับมันก็จะเพ้งใหม่อะค่ะครนี้จะเลยมาขอคําแนะนําในการปฏิบัติแล้วก็จะหลีกอะค่ะห้ามมันไม่ได้นะจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไหลไปตามความเคยชินเคยเพ่งนะเรารู้ตัวขึ้นมานะเดี๋ยวก็กลับไปเพ่งอีกเพ่งก็รู้เพ่งเรารู้นะรู้ด้วยความเป็นกลาง ของคุณโดยตัวเองในขี้โมโหนะโดยพื้นฐานเนี่ยจะเป็นคนขี้ขี้โมโหแต่ว่าอาจจะไปเพง่งจนมันนิ่งก็ได้ถ้าไม่เพง่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคยดูดีจะโมโหโมโหแล้วมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีสติรู้ทันไปเรื่อยๆรู้สึกไหมเวลาโมโหบางทีชอบไปเอาเรื่องคนใช่ค่ะอันนี้ก็ไม่หลอกหรอกอันนี้ก็จะก็จะเหมือนกับกลัวจะทําไม่ดีกับเขาถือศีห้าไว้ก่อนไงที่หรวงพ่อบอก นะโมโหขึ้นมาก็ไม่ด่าเขาไม่ตีเขาอะไรเงี้ยนะรู้ทันใจของเราไปเรื่อยดีที่ไม่เก็บกดถ้าเก็บกดไว้ไม่ได้เรื่องอะไรหรอกพอเราไม่เก็บกดนะเราจะร้ายหน้าดูเลยคันนี้ต่อไปก็ปฏิบัติโดยในรูปแบบแล้วก็ดูดูจิตไปผสมกันไปใช่ไหมคะใช่มันรู้กายก็รู้มันรู้จิตก็รู้ไปแล้วอย่างของตัวเองนี่คือต้องคู่ผสมกันใช่ไหมคะไม่ผสมอยู่แล้วแหละขอบคุณขอบคุณค่ะ ด้มาตการหลวงพ่อนะคะมาส่งกลรบ้านครั้งแรกพ่อบอกว่าน้อมไปอะค่ะทีนนี้อยากจะเรียนถามว่าตอนนี้เนี่ยปฏิบัติได้พอจะถูกทางไหมคะดีขึ้นนะรู้สึกมั้มใจเรารู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นโปร่งโล่งเบามากขึ้นนะคะดีค่ะตามดูเล่นๆไปนะแต่อย่าน้อมใจอยู่ในความว่างๆนะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเห็นกายเห็นใจทํางานไปเรื่อยๆอย่าไปติดในความสุขความสบายซะก่อนค่ะ รู้สึกไหมมันเริ่มมีความสุขมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นทุกน้อยลงจนเหมือนกับไม่มีความทุกข์ค่ะตรงนี้แหละต้องระวังเหมือนกันเดี๋ยวไปติดสุขเพราะงั้นพอมันมีความสุขขึ้นมาเรายินดีเราพอใจให้รู้ทันว่ายินดีพอใจก็จะไม่ติดถ้าเราติดสุขนะเราก็ภาวนาไปต่อไม่ได้มันก็สุขอยู่แค่นั้นแหละเพราะเรารู้ว่าสุขแล้วถ้าเราสุขให้เรารู้ว่าเราสุขใช่ไหมใช่แล้วพอใจในความสุขรู้ว่าพอใจเราสาคัญอยู่ตรงนี้ ถ้าพอใจขึ้นมาก็รู้ทันถ้าไม่พอใจในสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันกว่าไม่พอใจนะค่ะ ข, ขอบพระคุณค่ะเดีย๋ยวช่วยส่งไมค์คืนมาก่อนต้องมาให้อาหารมันก่อนสังเกตไหมใจเราไหลไปดูเขาเปลี่ยนฐานมันน่าดูตรงไหนแต่ <c oughs> <c oughs> ใ, ใจมันอยากดูนึกออกไหมมันอยากดูมันก็ไปดูขณะที่ส่งจิตไปดูเราก็ลืมกายลืมใจแล้วเท่านี้เอง แต่ละวันเราก็ลืมกายลืมใจตลอดเวลานะเพาเรามัวแต่สนใจในโลกภายนอกนมัสการหลวงพ่อค่ะเป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกนะค ะ, อะตอนนี้ตื่นเต้นค่ะ<ม> <laughs> <laughs> ก็หลังจากฟังซีดีหลวงพ่อก็พยายามที่จะรู้กายรู้ใจมากขึ้นแหะแต่ก็มีปัญหาในการที่ปฏิบัติในรูปแบบไม่เช่นนั่งสมาธิหรือว่าอะไรจะเพ่งบังคับอะค่ะ จะขอคําชี้นแนะจากหลวงพ่อด้วยนะคะก็บังคับก็รู้นะค่อยๆเลิกไปเราต้องการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ได้ต้องการบังคับเขาค่อยๆฝึกไปนะค่อยๆ ค, คลายการเพ่ง ร, รู้สึกใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมใช่ <Yeah. S 1> ใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้นะฝึกไปก็เราตอนนี้เก่ง <ขอ S 1> ให้ได้เยอะเลย กราบนะมัสการหลวงพ่อค่ะพอดีเป็นปฏิบัติมือใหม่นะคะก็ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญอย่างคนอื่นเขาก็เท่าที่ฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยก็พยายามจะไปลองหัดทำเองแล้วก็จะที่หลวงพ่อบอกว่าจะต้องดูเหมือนกับดูจิตของตัวเองค่ะคือก็กำลังคือเวลาฟังซีดีก็ลองมาทำดูแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกาลังจาลองจิตของมาของตัวเองขึ้นมาเพื่อจะดูจิตอีกตัวหนึ่งนะคะว่า ตอนนี้จิตกำลังทำอะไรตัวนึงเป็นตัวดูเป็นนักภาค<ม>ตัวนึงทําทําเสร็จแล้วเราก็ภาค<ม>ก็รู้สึกว่าสับสนในตัวเองเหมือนบางทีมันเหมือนกับจะมีความขัดแย้งกันในจิตตัวเองทีนี้ก็จะรู้สึกว่ามันหนักแล้วครับทีนี้ก็เลยลองหาทางวิธีใหม่ก็จะใช้วิธีบรู้ไปแบบเบาๆรู้แบบสบายสบายก็จะรู้สึกว่ามันจะดีขึ้น<ม>แต่ทีนี้ก็จะยังสับสนอยู่เหมือนกันว่าลักษณะอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นการรู้แบบเบาหรือรู้แบบ เพื่อที่จะให้เห็นจิตอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ต้องไปจงใจตั้งจิตอีกตัวหนึ่งขึ้นมาหรอกะนะบางคนนะมันมีบางคนก็ไม่มีคนไหนทําสมาธิมาก่อนนะมันจะมีตัวผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเป็นคนดูเห็นตัวหนึ่งแสดงตัวหนึ่งเป็นคนดูนะถ้าเราไม่ได้ทําสมาธิมาไม่ค่อยมีก็แค่รู้ลงปัจจุบันไปเห็นทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปดูงั้นแหละแล้วอย่างเวลาพยายามจะลองดูทําแบบตามรูปแบบแบบเดินเ<ห>ดินจ <ง S 2> ุดทัน <ลง S 1> ว่าอยากลอง เห็นไหมให้รู้ทันต้นต่อตรงนี้เลยลึกๆในใจเนี่ยมันคิดตลอดเวลาว่าทํายังไงจะถูกทํายังไงจะดีมันอยากทําเห็นไหมให้รู้ว่ามันอยากทําการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่การทําอะไรการปฏิบัติจริงๆนะร่างกายมันทํางานไปก็รู้ทันมันจิตใจมันทํางานก็รู้ทันมันเราไม่ต้องทําอะไร ของคุณยังวนเวียนอยู่คิดว่าทําแบบนี้ถูกหรือทําแบบนี้ถูกมากกว่าหรือทํายังไงจะถูกที่สุด<ช>มันมี ค, คําว่าทำอยู่ ใ, ให้รู้ทันใจที่อยากทำไปนะท่านั้นแหละปฏิบัติเสร็จแล้วขอบคุณค่ะนะไปได้อีกคนหนึ่งสองคนอ๋อการนมันส ก, การหลวงพ่อค่ะพอดีว่าตัวเองรู้สึกว่ากิเลสตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยอันนี้เราไม่เราพยายามจะละว่าเออเราบอกว่า เรารู้ว่าตอนนี้เราเป็นกิเลสนะแล้วเราก็ไม่ชอบพอเรารู้ว่าเราไม่ชอบปุ๊บเนี่ยก็พยายามจะมองให้มันเป็นกลางว่าไม่ชอบแต่พอสักพักนึงเนี่ยพอเรื่องอื่นผ่านเข้ามาปุ๊บมันก็จะลืมเรื่องนี้ไปแล้วสักพักก็จะกลับมันจะกลับมารู้อีกว่าเออมันไม่ชอบอีกแล้วก็เลยอพอดีมีอยู่ครั้งหนึ่งก็เลยมานึกว่าเออน่าจะมีวิหารธรรมของตัวเองก็เลยกลับมาที่ลมหายใจอพอกลับมาที่ลมหายใจพอกิเลสมาปุ๊บ แล้วก็กลับมาที่ลมหายรือว่าไม่ชอบแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจพอกลับมาที่ลมหายใจเนี่ยมันก็มือนกับมันไปกดแล้วเพ่งเอาไว้อ่ะค่ะอืมันก็เลยจะสึกว่าเอ๊ะรู้สึกเราเพ่งหรือเปล่าอ่ะเพ่งอันสิ <c oughs> คือกิเลสมานะกิเลสผ่านมาเรารู้สึกตรงที่เรารู้เนี่ยเราจบงานของวิปัสสนาละตรงที่เราไม่ชอบเราไม่ทันเห็นว่าไม่ชอบนะเราไปดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจตัวนี้เราสร้างพบขึ้นมาใหม่เราปรุงแต่งอันใหม่ขึ้นมาแล้ใจสงสยัยทราบไหม ให้รู้ทันอย่างนี้ยใจสงสัยขึ้นมาก็รู้ใจเนี่ยใจลอยไปแวบหนึ่งรู้สึกไหมเนี่ยให้คอยรู้ไปอย่างเนี้แสดงว่าไม่ไม่ต้องดึงกลับมาที่วิหารธรรมอย่าดึงนะแล้วก็แค่จบแค่รู้ว่าจบลงเราหายใจไปหายใจเล่นๆไปนะหายใจแล้วพอใจลอยก็แค่รู้ว่าใจลอยอย่าดึงคืนมานะก็เห็นเลยความใจลอยมันเกิดขึ้นมาเราก็จบไปแล้วล่ะตรงที่รู้ว่าใจลอยตรงนี้ไม่ใจลอยละ ก็กลับมารู้ลมหายใจแต่ไม่ดึงมาแค่กลับมารู้ลมหายใจแต่ไม่ดึงมาอยู่ที่ลมนะอย่าดึงจิตกลับมาที่ลมมันจะแน่นแล้วแล้วมันกลับมาเองคือโดย <มา S 2> ที่ไม่รู้นนมันมาเองใช่ไหมคะ่ะมันจะกลับมาเอง อ, เอย่าไปดึงมาถ้าดึงมาแล้วแน่นแล้วอย่างรู้สึกว่าตัวเองจิตไม่ค่อยตั้งมั่นนะคะรู้ว่าไม่ตั้งมั่นอยากให้ตั้งมั่นรู้ว่าอยากนี่รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อย แล้วคำว่าตั้งมั่นกับไม่ตั้งมั่นนี่คือมันต่างกันมันไม่ตั้งมั่นเมันฟุ้งซ่านไปมันหลงไปมันไหลไปอย่างตอนเนี้ยไหลไปคิดแล้วรู้สึกไหมรู้สึกเห็นนั่นแหละคือไม่ตั้งมั่นหยัดประคองให้ตั้งมั่นแค่รู้ว่าไม่ตั้งมั่นแค่นั้นพอละมันตั้งเองเมื่อไหรไม่ฟุ้งไปแมันก็ตั้งมั่นจงใจให้ตั้งมั่นนกลายเป็นตั้งแล้วแน่นแน่นขึ้นมาใช้ไม่ได้แล้วใจจิตถึงฐานไหมคะตอนนี้ไม่ถึงหรอก จิตมันอยากพูดใมันอยากได้คำตอบมันตื่นเต้นใช่ไหม <c oughs> มีหลายตัวเลยแล้วเราไม่เห็นมันขอบคุณค่ะอ้าวคนอื่นมีบ้างไหมก็เราตออ่อเยอะแล้วได้อีกคนหนึ่งเบอร์สี่สิบหกเชิญสี่สิบหกแล้วก็ร้อยห้าสิบห้าแล้วก็กลับบ้านได้แอบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ปฏิบัติได้ มาได้ยะหนึ่งนะคะแต่จิตมีโทสะมากเลยแต่ใช้มรณากดไว้ค่ะเดีย๋ยวไปกดเหมืนซีเราไม่ได้พาอวอนาเก็บกดนะจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะดูไปซิต่อไปนี้เอาใหม่เวลาจิตมีโทสะขึ้นมานั่งดูไปดูซิเธอจะโกรธนานสักแค่ไหนดูแบบนี้นะดูซิเธอจะโกรธนานสักแค่ไหนไม่ใช่ดูว่าเมื่อไหร่เธอจะหายโกรธ ด, ดูซิเธอจะโกรธได้สักแค่ไหนนั่งดูไปเล่นๆดยอย่างเนี้ย อย่าไปเกลียดมันอยากจะขอตรงข้อว่าโยมจะใช้ใชพิหารธรรมได้ดีค่ะเราดูจิตของเราไปเลยนะตอนนี้ถ้าไปใช้ตัวอื่นเดี๋ยวเครียดดูจิตใจไปเรื่อยๆตอนนี้ฝึกตัวนี้ก่อนนะจะใช้ตอนขยับกายดีไหมคะถ้าดูขยับกายมันก็เครียดอีกอะ่ะรู้สึกไหมมันโมโหเก่งอะใช่ค่ะเออดูใจไปใจมันโมโหเรารู้ใจมันโมโหเรารู้ดูตัวนี้ก่อนนะ ถ้าจงใจไปทำอะไรขึ้นมามันก็โมโหไปหมดเลยแล้วงคืนนิยมเดินนั่งครั้งละครึ่งชั่วโมองอย่างเงี้ยแล้วก็ดูจิตไปเลยเหรอคะคือไม่ต้องนั่งก็ได้นะทำงานอะไรไปก็ได้ทำงานบ้านไปก็ได้แล้วก็ดูใจของเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้ า, าจงใจปฏิบัติมากๆแล้วมันเครียดขอบพระคุณจ้ค่ะ5 5อ่ห้าบห้าคนสุดท้ายดีใจไม่เห็นว่าดีใจเห็นไหมล่ะอือ mm hmm. ค่ะกานมัสการลูกได้ปฏิบัติมาประมาณหนึ่งปีแล้วนะคะตอนนี้ตื่นเต้นค่ะอยากจะกลาวเรียนถามหลวงพ่อว่าสภาวธรรมที่ลูกทมอยู่นี้ถูกต้องไหมคะเห็นไหมใจเราไม่เคยคงที่เลยดูอกไหมมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นไหมเราไม่พอนาให้คงที่นะอย่าไปเพ่งให้นิ่ง ปล่อยปล่อยให้มันทํางานตอนเนี้เพ่งตอนนี้ยังเพ่งยังนิ่งยังมีตัวนิ่งนิ่งอยู่ไหมใช่มีตัวนิ่งนิ่งอยู่ตัวหนึ่งนะแล้วที่เคยไปปฏิบัติที่กฟรฟพ์นะคะวันสุดท้ายเนี่ยได้ไปเห็นร่างของตัวเองเนี่ยเป็นเป็นเท่าอะค่ะที่วันนั้นหลวงพ่อทักกันนะคะเราก็เหมือนมีคนมาสะกิดที่เท้าอะคะ่ะแล้ว เ, เราต้องทํำยังไงคะดูใจไปใจกลัวก็รู้ไปค่ะพยายามรู้ตัวให้มากๆากนะ ใจเรายัางล่องรอยไปพยายามรู้สึกตัวเห็นไหมเมื่อกี้ตรงที่พูดคำว่าแล้วอ่ะหลงไปเลยพยายามรู้สึกตัวเห็นไหมร่างกายพยักหน้าคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจบ่อยๆน ะ, ะใจของคนมันยังฟุ้งง่ายอยู่คอรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจคือค่อนข้างเครียดมากกับกับงานนะคะ บ, บางครั้งก็รู้ว่าโกรธเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะไม่ได้ห้ามห้ามไม่ได้ รู้แต่ว่าก็ระ ง, งับไม่ได้ะคะ่ะไม่ได้ระ ง, งับรู้เพื่อให้เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้การที่ระ ง, งับไม่ได้นั่นแหละความจริงละค่ะแล้ ว, แ ล, วแล้วตอนนี้คือปฏิบัติในรูปแบบนะคะอตอนเช้ากับตอนเย็นแต่ก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างคือบางครั้งก็ไม่มันเหมือนมันดูอะไรไม่ได้เลยอย่าน้อมใจให้ซึมๆไปนะเมื่อกี้มันน้อมใจให้เลื่อนๆล อ, อยๆไปอย่าให้ใจเลื่อนลอยพยายามรู้ตัวให้ชัดๆไว้นะ ค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อบอกว่าให้ดูเรื่องหลง่ไอ้จะโกรธ่ะคะเหมือนโกรธที่ทํางานดูแบบนั้นใช้ได้ไหมคะได้โกรธแล้ว ร, ร, วรู้โกรธแล้วรู้นะเห็นจิตมันโกรธจิตโกรธแต่ปากยังว่าเขาต่ออยู่ะะไม่ดีต่ <laughs> อแล้วว่าต้องถือศีล <laughs> ต้องรู้ทันนะถ้ามีสติจริงมันไม่ร้นออกมาทางปากหรอกอาเชนกลับบ้าน